มันดับต่อไปโ <c oughs> อ้ยท่านทั้งหลายต้องตั้งใจหลับตาดูหัวใจไม่ต้องมาดูอิตมาหลดูหัวใจตัวเอง <c oughs> ใจมันเป็นยังไงมัง่งเรานั่งภาวนานเรามานั่งปฏิบัติใจนะ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 แล้วลดละปล่อยวางได้มากไหมตั้งแต่ประพฤติปฏิบัติมาเราต้องดูนะอ่าศินเราบริสุทธิ์พุดพองหรือไม่หรือมันยังด่างยังพ่อยอยังไม่บริสุทธิ์เราต้องสํารวจตรวจตาถ้ายังมันไม่ดียังไม่พองไม่ใสยังไม่บริสุทธิ์เราก็พยายามแก้ไขเปลี่ยนแปลงให้ศินบริรสุทธิ์เอสินบริสุทธิ์ใจก็บริสุทธิ์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 มาต้องกลัวคาศึกมันจะมาทำลายอ่าภายในบ้านเรานี่คือมันก็น ก, นการแบบพฤติปฏิบัตินี่ถ้าเราฝึกดีแล้วไม่ต้องกลัวว่ากิเลสตัวไหนมันจะเข้ามาก่อกวนยั่วยุนให้ทำให้ฟุ้งซ่านวายทำให้เสียผู้เสียคนอถ้าเราฝึกดีแล้วมันไม่มีปัญหาเราลูกมันพอมันมาแล้วก็รู้ แล้วก็แจกไไขเปลี่ยนแปลงได้นั่นเรามาฝึกใจเรามาปฏิบัติใจมีใจเท่านั้นแหละอย่างอื่นไม่มีหรอกมันออกจากหัวใจดีก็ออกจากหัวใจชั่วกับใจตัวนี้ะพาชั่วดีก็พาใจก็มาจากหัวใจตัวนี้ะพาดีจะไปนรกก็ดีจะไปสวรรค์ก็ใจตัวนี้จะไปถึงพระนิพพานก็เพราะใจตัวนี้จะบม ที่ล็ดสรรหาอาตราวะออกจากใจเทยวนี้จะชั่วจะดีจะสูงจะต่ําออกจากหัวใจอ่ามีใจอย่างเดียวอะจะไปสวรรค์ได้กับพ่อใจจะไปนรกเพราอใจเพราะนั้นเรามาปฏิบัติใจเราสาใจอบรมสั่งสอนมันทุกวันนุกวันทําให้อ่าจิตใจมันสงบเอหัอใจมันสงบใจมันมีความสุข ในระหว่างใจมันสงบกายก็สงบวาจาก็สงบก็อยู่เป็นสุขจะภาวนาจะไปจะมาจะอะไรก็มีสติมีปัญญาเวรกรรมบาปกรรมทั้งหลายก็ไม่สามารถจะเกิดจะเป็นขึ้นมาได้เพราะเรามีคุณธรรมคนที่มีคุณธรรมนั่นทำบาปไม่ลงทำบาปไม่ได้พอจะทำบาปทำกรรมผิดจักถิสิยาธรรม เรามีสีมีปัญญาอ่าดูแลอ่าหัวใจเราอยู่เราก็ทําให้ลงทำไม่ได้ก็เรากาพึ่ให้มันดีขึ้นยิ่งขึ้นไปนั่งสมาธิภาวนาอย่าขี้เกียจอย่ามักไายอย่านอนเตือนสายตื่นขึ้นมาได้ป่อยพระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนาสําระสาตังจิตใจให้มันทองมันใสให้สํารวจตรวจตาดูทุกเวลา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 เป็นของไม่เที่ยงแต่ยิ้นก็เป็นของไม่เที่ยงน้องก็มาไม่เที่ยงสักสิ่งสวัการถ้าเราตั้งใจว่าอยู่กับอนิจจังก็เห็นความไม่เที่ยงโอถ้าเราตั้งอยู่ในความทุกข์ก็เห็นทุกข์อยู่ทุกเวลาทุกวินาทีเรานั่งเป็นทุกข์เดินก็เป็นทุกข์ยืนเดินนั่งนอนเป็นทุกข์มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นสังขารร่างกายของพวกเราทั้งหลายมันไม่ได้อยู่สุขสบายนะ มันสุขกับสุขประเดี๋ยวประดาวแค่นั้นจะหาความสุขอันแท้จริงมาได้เราต้องพิจารณาเห็นอนันจังพวามเมตเพียงทุกขังมันเป็นทุกข์จะได้เกิดนิพิทาความเบื่อหน่ายในธาตุในขันในสังขารห น, น้ากายในการที่เกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เราพิจารณาไปอีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราขนขวายเราสะสมเงินทองเข้าของสมบัติพระสถานค่าถาดปริบาล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 มันห่วงยังถามมันยังห่วงยังแหนอยู่มันยังยึดยังเิดยังมีความพอใจยินดีคือในธาตุในขันในสังขารร่างกายถึงจะแก่มันก็ไม่ยอมอยากจะแก่นะมันสู้มันต้านมันต้านความแจกมันต้านธรรมะของพระพุทธเจ้าพระุทธเจ้าว่าเกิดขึ้นมาแล้วต้องแก่นะอ่ะฟังสิพระเจ้าว่าเกิดหน้าต้องแก่เกิดขึ้นมาต้องเจ็บนะเกิดขึ้นมาต้องตายนะ เราเน่ามาพี่นาทุกวันทุกวันุกวันแต่ใจนี่แตพี่นาเรื่องอันจังทุกขังหน้าตามันไม่ค่อยชอบหรอกมันมันไม่ไปตามกระแสของมันไม่ไปตามกิเลสกิเลสมันไม่ชอบแบบนี้มันชอบความสวยความงามความสนุกสนานเฮฮาพูดน่มันไปทางโนดไปทางกิเลสไปเท่าไหร่ยิ่งวุ่นยิ่งวายยิ่งมีทุกข์ยิ่งมีปัญหาตามมาบางทีมันอปหา ปัญหาเข้ามาใส่ตัวหาความทุกข์มาใส่ตัวเองปกติของใจเนี่ยมันมันม่ได้อยู่นิ่งเฉยน ะ, ะมันดิ้นมันรนมันตะเกียกตะกายแต่เรามาปฏิบัติมาประพฤติปฏิบัติมานั่งสมาธิภาวนาเมื่อใจิตใจสงบแล้วมันไม่ทุกข์มันไม่วุ่ไม่วายเราจะพิจารณาจะแพ่งเ่าภายในกายเห็นอนิจจัง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 ไม่มีใครหลงเหลืออยู่ในโลกนี้ได้แม่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาเอกของโลกก็ยังนี้ไม่พ้คนความแจกความเจ็บความตายแต่เป็นพระราชามหากศาศักดิ์ก็ทนอยู่ไม่ไหวนั่นแหะใครพิจารณาดูสิเพราะนั้นเราจะมาพอจะยินดีอยู่แค่นี้เป็นการที่คิดผิดเข้าใจผิดนะอะเราจะได้อะไรเวลาหมดลมหายใจแล้วทุกสิ่งทุกประการไม่มีความหมาย ถ้าสีด่ดินน้มน้งไฟอัตภาพร่างกายจะยกให้ใครใครก็มาต้องการใครก็ไม่อยากได้ม้ามีความสวยไม่มีความงามไม่มีความโสภาเลยมันน่ารังเกียดมากไปดูสิตามโงพยาบาลคนไข้คนป่วยคนจะร่มจะตายมันน่าสมเพชเวทนาเมื่อยังมีชีิตชีวาอยู่อยู่ด้วยกันดีๆคิดว่าจะมาไม่แฉะไม่เจ็บไม่ตาย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 อมันก็มีตัวมีตนอยู่ในหัวใจจะปล่อยจะวางมันก็ไม่ยอมมันไม่ยอมปล่อยยังวางเราก็ดมายึดมาติดมาข้องมาคาจะไปสวรรค์ก็ไปไม่ได้ห่วงนู่นห่วงนี่อยู่อใจมันไม่ใช่ธรรมดาเลยถ้าเราทําใจให้สงบเป็นสมาธิแล้วมันรู้มันเข้าใจมันมองเห็นมันปล่อยได้วางได้ครูบาอาจารย์ท่านประพฤติปฏิบัติ ท่านทุมเททั้งกายและใจอสู้ตายเลยอ่ะอดตลับขับตะนอนอดนอนผ่อนอาหารต่อสู้กับสังขาร น, นา่งกายต่อสู้กับจิเลสอธทรมานใจแล้วยังไม่พอยังทรมานธาดผันสังขาร น, น่างกายจินมากมันเด้อจินมากมันไม่ฟังอ่มันไม่สงบมันพุ่งสร้างวุ่นวายท่านก็นลดอ า, อาหารลงจินน้อยนอนน้อยอนอนก็พอประมาณ อาฉันก่อนนิดเดียวนั่นข้อละมานธาตุขันสังขานนั่งกายน้อยเนี่ยจิตใจมันจะปูงแต่งไปทางโลกทางสุสารทําให้เกิดจิเลตนาสะวาราฆาโทสามุหะท่านพยายามตัดอ่พยายามต่อต้านพยายามต่อสู้ไม่ไปตามกระแสของความอยากแต่ความอยากของใจนี่มันอยากไปฟังฝ่ายต่ําำทางฝ่ายสูงฝ่ายดีมันไปมันยัง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 ถ้าใจไม่ดีล่ะใครมาดุมาดา่ามาว่านิดว่าหน่อยมานินทาก็ไม่ได้นั่นแค่อารมณ์แค่นั้นนิดเดียวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นโทษเป็นภัยขึ้นมานี่คือหัวใจเพราะนั่นนักปฏิบัติต้องอดทนต่อสู้ ต, ต้องลดจงละปฏิบัติเพื่ออะไรเราปฏิบัติเพื่ออะไรต้องเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติแล้วนั่งสมาธิภาวนาเป็นอย่างไรบางคนเขายังว่า เ, ออเข้าวัดเท่าไหร่ยิ่ง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 เสียกิริยาบรรยยาเพราะนั้นเราเป็นนักปฏิบัติเราต้องรักษากายให้ดีอย่ารู้อำนาจของจีเลสรักษาวาจาให้ดีรักษาหัวใจใจมันจะ่คิดจะปรุงจะแต่งในทางบาปทางกรรมทางจองทางทางกรรมทางเวรเราต้องพินิจารณาต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงใจมันเปลี่ยนมันแปลงได้มันคิดไปดีแล้วเปลี่ยนมันดีได้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 พธโธหรือกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกดูแต่ลมหายใจเข้าหายใจออกอนอกอยากนั่นภาระหน้าที่เราต้องปล่อยต้องวางต้องวางไว้ก่อนในขณะที่เรานั่งสมาธิภาวนาภาระหน้าที่ต้องวางวางไวใ้ให้เราคิดว่าเรานั่งอยู่ในโลกนี่คนเดียวอเอาขนาดนั่นนะไม่ต้องคิดถึงคนนั่นคิดถึงคนนี้เราอยู่คนเดียว อยู่ในโลกนี่คนเดียวนะไม่ต้องห่วงหน้าห่วงหลังไม่ต้องคิดอดีตอนาคตตัดอดีตออกตัดอนาคตออกมันถึงจะสงบนะใจถึงจะนิ่งใจถึงจะเป็นหนึ่งได้นะถ้าเราตัดไม่ได้เนี่ยมันก็คิดอยู่นั่นปุงอยู่นั่นมันปุงมันแจงอยู่ทั้งวันเวลานั่งไม่ลาบมันไม่ทราบ ม, มันมาจากที่ไหนความคิดของมันคิดเรื่องน้นคิดเรื่องนี้นั่นใจ มันไม่ใช่สรรมดาเพราะนั้นเราต้องหักต้องห้ามหนึ่งก็หนึ่ ง, งไม่ให้มีสองใจให้นิ่งใจให้เป็นสมาธิกำหนดมีสติมีปัญญาฝึกสติฝึกปัญญาให้แก่ก้าสามารถต่อสู้ต่อต้านกับความคิดความปุงความแต่งกับจิตัดหนอาสวะลาะโทาโมหะพยายามลดละให้มันลดน้อยพลอยล่วงไป มันจะได้อยู่อย่างเบาอยู่อย่างสบายตัวเจเลตเนีย่ยมันทําให้หนักหนักอกและหนักใจหนักไปหมดในโลกในี่สงสารหาความสุขความสบายไม่ได้ถ้าเราไม่หักไปห้ามแล้วปล่อยให้เจเลตมาแถดมาเผามาอ่าทําลายจิตใจของเรานี่มันไม่มีความสุขหรอกถึงจะอยู่ประสาราศวังก็าหาความสุขความเยีเ่ยงเย็นไม่ได้มีเงินมีทองมากมาสักฟันใด ถ้าใจ ja. มันไม่สงบใจมันไม่สบายมันก็ไม่มีความสุขความสุขไม่ได้อยู่ก <bakery> ับเงินกับทองกับสมบัติเสมอไปนะมันอยู่ที่จิตที่ใจถ้าใจเดีอะอยู่ที่ไหนก็ดีอยู่ที่ไหนก็สบายอยู่กับต็อปหลังเล็กก็สบายอยู่คนเดียวก็สบายอยู่กับหมู่กับพวกก็สบายอยู่ในโลกก็สบายไปก็สบายมากก็สบายตายก็สบายมากเกิดีก็สบายอหน่าถ้าใจของเรามันสบายแล้วเราฝึกดีแล้ว เราไม่รู้อำนาจของตัวกิเลสเราต้องต่อต้องต้านต้องอดทนต่อสู้เห็นหมาผู้บาอาจารย์ท่านสลบเป็นสรลบตายผู้บาอาจารย์ท่านไม่ใช่ธรรมดาพระพุทธเจ้าควรจะตัดสู้เป็นพระสมาสัมมุทเจ้าสลปไปตั้งสามครั้งหนึ่งพวกเรามันเป็นยังไงบ้างต่อสู้ขนาดไหนวันหนึ่งได้ประพฤติธรรมกี่นาทีวันหนึ่งมียี่ยี่สิบสี่ชั่วโมง เราปริบัติธรรมกี่นาทีในบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธในดังสมาธิมากน้อยสักปันใดในสารวจตรวจตาสั ง, าางการนั่งกาอนิจังทุกขังหน้าตาวันหนึ่งกี่นาทีเนี่ยเราต้องดูเราอืมวันเวลามั น, ผ, นผ่านไปผ่านไปมันไม่ผ่านไปเฉยนะอาถรรพร่างกายกาลังมังตา ม, มันผ่านไปลดน้อยถอยลงไป ตามันก็เสี่ยมหูมันก็เสี่ยมเข่ามฟันก็เสี่ยมลิ้นมันก็เสี่ยมกำลังมังสามันก็ลดส่วมันเสี่ยมไปเนื้อหนังบางสามันไปโดยอัตโนมัติเราไม่รู้ตัวน่ะว่ามันแจ๋นะอ่ามันไปโดยอัตโนมัติน่ะมันเสี่ยมไปหมดไปน้อยลงไปน้อยลงไปแล้วเราไม่อยากแก๋มก็แจ๋มไม่อยากเจ็บปันก็เจ็บไม่อยากตายมันก็ตายเออเราจะหลบจะหลีกเราจะหนีไปที่ไหนพ้น มีทั้งหลบมีทั้งหลีกมีทั้งหนีไปที่ไหนได้ไหมให้พิจารณาทุกวันทุกวันทุกวันเนี่ยเมื่อหลบความเจ็บไปได้หนีความเจ็บไปได้หนีความตายไ่ได้ใจมันก็อยู่เนี่ยพิจารณาทุกวันวันทุกวันบอกสอนวันนี้เจ้านะนี้เจ็บนี้ตายนะมี้ความพลาดภาคจากกันนะไม่วันใดก็วันหนึ่งจะต้องพลดภาคจากของรักของชอบใจพลาจภาคจากลูกจากหลานจากสมบัติพระสถาน ถึงแม้เรามาจากจากมันก็จําเป็นจําใจจะต้องจากนะมีเงินมีทองมากมายสักปัในใดก็ซื้อไม่ได้อซื่อไม่ใหใ้เจ็บไม่ให้เจ็บไม่ตายทําไม่ได้อถึงเราจะแจ้งไขเราจะปรุงจะแต่งจะเสริมมันอไหรไม่กี่วันกี่เดือนกี่ปีหรอกมันก็เป็นไปตามสภาพของมันอยู่ดีๆนะไม่มีใครหนีไปที่ไหนได้พิจารณาทุกวนัวนทุกวนัวนทวัน มันจะกลัวมันมันจะยอมไหม น, นั่นปกตินี่ใจมันไม่ค่อยยอมนะอ่ามันไม่ค่อยยอมถ้าที่ได้เรื่องแย่ธอแย่เจ็บตายอนิจจังทุกขังหน้าตาบางทีคิดว่ามันเป็นอัปปะมงคลอ่าพระพุทธเจ้า ว, ว่าเป็นมงคลพระพุทธเจ้าถามพร ะ, พ อ, ะ, าพระอานนท์อานนท์ซึ่งเป็นพุทธอุถากของพระพุทธเจ้าอานนท์เธอนึกถึงความตายวันละกี่ทั้ง อาหน น, นตอบพระพุทธเจ้าว่าวันร้อยครั้งพระพุทธเจ้าค่ะโอ้เธอทําไมประมาทมากอาหน น, นทูลถามพระพุทเจ้าว่ะจะให้ข้าวโยงนึกถึงความตายวันละกี่ครัง้งให้นึกถึงความตายทุกลมหายใจก็ออกนู่นล่ะพวกเราวันหนึ่งไม่เคยนึกไหมนึกถึงความตายวันละร้อยครั้งก็ยังดีอ่ะ มันมถึงร้อยหรอวันละสิบยี่สิบครั้งเนี่เนี่ยปกติมันออกไปทางนอกมันเพิดมันเพิ่นไปตามหลูกตามเสียงตามกิน่นตามรถตามสมบัติพระสถานตามลูกตามหลานอ่ามันไปมองลูกมองหลานโน่นอ่ะมองสมบัติพระสถานนั่นก็ดีก็บองก็รักษาแต่ว่านัานภายนอกนั่นเรื่องของโลกเรื่องของธรรมะเราก็ต้องให้มีนะให้มันได้ทั้งอภายนอกและภายในได้ทั้งสมบัติ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 มันลำบากแค่ไหนเพราะฉนั้นพระเจ้าถึงว่าอ่ามนุษย์เป็นผู้ประเสรดเลิ่อนกัสรรพสัตว์ทั้งหลายเลิ่อย่างไรมนุษย์นี่ตัวเล็กๆ เ, เนี่ยมีสติมีปัญญาสามารถมีความรู้มีความสามารถสอนให้มนุษย์ไปสวรรค์ไปถึงพระยินพรรได้สอนให้สัตว์ไปสวรรค์มันก็ไม่รู้เรื่องรู้รายรักษาส็ไม่เป็นให้ทานก็ไม่ได้ท่านก็ดีก็ดีแบบสัตว์จริงก็ริงแบบทัตนอ ถึงมันจะตัวใหญ่ตัวโตมันก็ภูมิปัญญามันสมองมันสู้มนุษย์ไปได้มนุษย์เรานี่เป็นผู้ประเสริฐถ้าเรารู้จักเอานำมาเอานําเอามาใช้แต่ละเมื่อละวันนี่้มันมีคุณค่าในชีวิตของพวกเราทั้งหลายคุณค่าของคนมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่คุณธรรมอ่ามันมันมันอยู่ที่อื่นไกลนะอยู่ที่คุณธรรมคนมีคุณธรรมออยู่เป็นสุขอ่าไม่ขาดทุน อยู่ในโลกนี่ก็ดีไปที่ไหนกด็ดีอยู่ที่ไหนก็ด่าอยู่ที่ไหนก็นมีความสุขได้ น, น่ะพวกเราทั้งหลายอย่าพากันผัดวันประกันพุ่งวันเวลามันผ่านไปผ่านไปความแจกแก่ไปแจ่ไปแจ่ไปแล้วถ้าไม่เห็นความแ จ, จกก็ไป่องดูกระจกมันเป็นยังไงเอีชิดตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาตั้งแต่แรกเกิดมาถึงปัจจุบันทุกวันนี่ อายุ20 30ปีนี่มันเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่นั่นมันเป็นสกิลเป็นพยานเห็นได้ชัดเจนเลยมันแฉจริงๆริอมันเจ็บจริงๆมันอ่าตายจริงๆคนตายแล้วก็ตายให้เราเห็นอยู่คนรวยก็ตายคนจนมันก็ตายอ่คนฝรั่งอังกฤษอยู่ประเทศไหนมันก็ตายทั้งนั้นมีแฉมีเจ็บมีตายนั่นพระวจนะว่าเกิดขึ้นมาครับมามีเกิดต้องมีตายไมว่าชาติชาติ วันนัทไหนตายกันทังนั่นตลอดต้นไม้ภูเขามันก็ยังตายตึกานบ้านตลาดสร้างหรูหรามาใหญ่โตาสร้างมาอย่างหาวร อ, อย่างดีมันยังมีผุ ม, ผมีพังมีแตกมีสลายอ่ในที่สุดก็สลายไปทั้งนั้นไม่มีอะไรที่จะตั้งอยู่ตลอดไปได้สังขารร่างกายของเรามันบอบบางถึงขนาดไหนมันแค่หนัง มุมหอกระดูกเปิดเข้าไปภายในมันมีอะไรดีมีอะไรสวยอะไรงามมีอะไรเป็นที่พึ่งพอใจนั่นพิจารณาดูสิเราจะพิจารณาอสุภกรรมฐานก็เห็นอสุภกรรมฐานมีแต่อสุ ภ, ะ, ะ, ส ภ, ะ, ะ, ะ, สภะทั้งนั้นเต็มไปด้วยมูดด้วยพูดเต็มไปด้วยเลือดด้วยน้องเต็มไปด้วยผูโเรเห็ดอาหารใหม่อาหารเก่าพิจารณาดูสิทำไมมันจะเกิดเกความเบื่อหน่ายในธาตุในขันในสังขารน่างกาย ทำไงมันจะเกิดนิติธาให้เราพิจออารณาทางไหนมันจะปล่อยได้วางได้ละได้ทำไงมันจะละจีเลสได้ให้มันเบามันบางมันลดลงไปไม่ใช่ว่าปฏิบัติมานมมานานมเหมือนเดิมอยู่มันไม่ลดไม่ละมันยังใช่ไม่ได้นะเราต้องสารวจตรวจตาต้องพิจออารณาต้องผมต้องผูต้องทรมานจิตใจของเราเนี่ย ต้องพยายามฝึกให้ได้ทําให้ได้แล้วฝึกดีแล้วปฏิบัติได้ดีแล้วจะอยู่ยังไงก็มีไม่มีปัญหาจะอยู่แบบไม่เป็นไรตายวันไหนก็ไม่มีปัญหาอยู่ได้ตายไม่ก็สบายยอมไปสู่สุปฏิออยากน้อยพอยไปอยู่สวรรค์นู่นก็ไม่ต้องหาปลาไม่ต้องซืสวทิพยพระสมบัติอายุไปยืนยาวหนึ่งวันบนสวรรค์เท่ากับร้อยปีในโลกมนุษย์ อยู่ยังสุขสบายไม่มีโรคมีภัยไม่มีไข้ไม่เจ็บเมื่อหยุดติจากสวรรค์มาเกิดโลกวันนัก็จะเกิดในตะกูลที่ดีเป็นลูกเศรษฐีกระดุมพีมีเงินมีทองมีสมบัติพัสดุานมีข้าทาสบริวารมีทุกสิ่งทุกประการเพราะมาจากบุญเพราะอาศัยบุญบุญมาจากที่ไหนมาจากการมาจากการปฏิบัติมาจากการบาเพ็ญปริญญาความดีถึงจะมีบุญมีบารมี นนี้เป็นมีบุญมีบรารมีนั่นเกิดขึ้นมาถึงยังไงก็มีความสุขะจะทํามาก็ขายจะทําอะไรก็ประสขขบผลสำเร็จทุกสิ่งทุกประการมีผัวกัผัวดีมีเมียกับเป็นคนดีมีลูกก็ดีพ่อกด็ดีแม่ก็ดียศชาบรรดาศักดิ์เงินทองเจ้าของสมบัติพระสถานข้าทาสบริบาลมีทุกสิ่งทุกประการเหมือนกับเป็นอ่สวรรค์นในโลกมนุษย์อันหนึ่ง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 การไหว้พระสวดมนต์จากการรักษาศีลจากการประบฤติธรรมนั่งสมาธิกำหนดจิตกำหนดใจมันไม่ตายหรอกวันหนึ่งนั่งสมาธิห้านาทีสิบนาทีก่อนนอนนั่งทุกวันนั่งทุกวันมันสงบหรือไม่สงบเราทำทุกวันบุญก็เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันใจก็ผ่อกแกใสทดลองดูสิเรานั่งสมาธิแล้วใจของเรามันผ่อนมันใสมันมีความอบอุ่น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 อบาปเป็นของไม่ดีเราต้องทำันดาลใหม่ประโยชน์อะไรเรามีสติมีปัญญาอ่าเป็นคนดี่ะแล้วก็ไปในทางที่ดีไปในทางนิสูกคิดดีไปดีมาดีหมืนก็เป็นคนดีอสร้างบุญสร้างบารมีทํำใจใมีเอศีลมีธรรมมีคุณธรรมปฏิบัติธรรมให้มองคนอื่นในทางที่สงสารมีธามีคน สุนทรภพติแจกสรรพสัตว์วิญฉาทั้งหลายปุตติญญญ i, ปิศาว์เขาก็มีทุกข์มีธ frei, มาตุมีคันมีสังขารร่างกายเราจะไปเบียดเบียนเพราะทําไมเราอยู่ในระดับนี้ไม่ต้องทําให้ผิดศีลหรอกไม่ต้องไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ต้องไปลักไม่ต้องไปขโมยไม่ต้องไปพืชผิดในกาไม่ต้องไปมุสาวาดปูหกหลอกลวงคนอื่นไม่ต้องไปดื่มเหล้าเบายาสูบกัญชายาปิ่น ม, ม, มันมันมันเมาเรารักษาสินห้าได้ไปถึงสวรรค์ น, นี่คือคําสอนของพระพุทธเจ้าเราทําไม่จะทำไม่ได้เราอยากจะไปสวรรค์ไปได้ทุกคนอย่ที่นี่มีสิทธิ์ที่จะไปได้จะไปทางไหนก็ได้ไปนรกไปได้ไปสวรรค์ก็ได้ไปนรกนะรกก็ยังเปิดทางให้ไปสวรรค์สวรรค์ก็ยังว่างยังเปิดทางให้เราจะไปสูงหรือไปต่ํำเราจะไปดีหรือไปชั่วเราจะเป็นคนดีหรือเป็นคนไม่ดี มันไม่ดีกับพยายามแจกใครเปลี่ยนแต่งเสี้อผ้าพรเรามันสปกปรกโต้พกแล้วยังมีซับมีสบูบส่มาซับมาฟอกให้มันสวยมังามให้มันสะอาดอ่าใจของเรามันก็มีธรรมาะเป็นเครื่องซักฟอกให้ฟ่องให้ใสให้ดีให้งามเมื่อใจดีงามแล้วเราก็เป็นผู้ที่มีคุณธรรมดีคุณธรรมสูงอ่าเกิดขึ้นมามาเสียทีที่เกิดขึ้นมาดี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 ใจของเรามันก็ยังไม่ยอมมันยังเด้อมันยังเอาอยูยังมายึดมาถือถ้าเราไม่ยึดไม่ถือไม่ยินดีไม่ยินได้ในธาตุนในขัสังขารร่างกายแล้วควาทุกข์มันจะมาจากที่ไหนไม่ยินดีไม่ยินได้ไม่ดีใจและไม่เสียใจในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงถือว่าเป็นสิ่งธรรมดาเกิดขึ้นมาแล้วมันจะต้องเป็นอย่างนี้นี้ี่นี่ บา ก, กรรมเราอย่าไปทำเลยทำแต่บุญทำแต่ดีแล้วทำบุญทำดีใจดีเราก็มีความสุขความสุขมันอยู่ที่เราเองเราจะเอาให้มีความสุขก็ได้เราจะเอาไม่ดีก็ได้วันนี้ก็ให้เตือนลูกเตือนหลานพอประมาณพอพอให้ทุกคนน้อมนําไป นมนำไปพินิษฐคิดเจรนาให้ประพฤติให้ปฏิบัติอย่าลดละอย่าทอดอย่าถอ ย, อ ย, ถอยชีวิตของเรามันเดินหาความตายทุกวันทุวันนะวันนี้ก็เที่ยงเบี่ยงบายไปแล้วทุกวานก็หมดไปวันนี้ก็จะหมดวันเวลาไปแล้วเราต้องคิดนะอ่าเราจะได้ไม่ทําวันนี้เราจะทําวันไหน ส้นไม่มีก็สํารวจตรวจตารักษามันได้วันนี้ทําวันนี้ได้ใจมันไม่ดีก็แจ้ไขเปลี่ยนแปลงไปอเปลี่ยนแปลงไปทําใจให้งามทําใจให้ดีงามทั้งภายในงามทั้งภายนอกนั่นมันน่ารักน่าสงสารเ ท, เทวดาเทวดาท่านก็ บ, บองท่านก็ดูแลรักษาโอ้คนนี้อ่าประพฤจินนสินจินอยู่นะทำเป็นคนดีทั้งกะ อนโมทนาท่านกับผู้ปครองปกป้องรักษาให้อยู่เย็นเป็นสุขแต่ละคนมีเทวบุตรเทวดาดูแลรักษาไม่ต่ำกว่าสองนะดูแลอยู่แล้วทําผิดท่านก็รู้ทําถูกแล้วก็รู้นั่น่ะทําหน้าที่แจ้งที่รับอย่างไรก็เราก็ปิดบังหัวใจเราไม่ได้ก็ทําดีแล้วก็รู้ทําผิดเราก็รู้รรนั่นมันจะแจ้งหรือไม่แจ้งอยู่ที่เรา อ่าเราจะแจะไหมเราจะทําดีไหมมันอยู่ที่เราจะให้ใครมาแจ้ให้ใครมาปล่อยมาวางมาลดมาละให้ใครมาสร้างบุญบารมีให้เราเราต้องทําเองเราทัง้งต้องทําเองอ่เมื่อเหมือนโลกมนุษย์นี่อ่ามีอะไรยังแบบยังปันกันได้แต่ธรรมะธรรมโมจิตใจนี่ต่างคนต่างปฏิบัติ ต่างคนต่างก็ทำบำเพ็ญนานะของไปของมันนะเพราะนั่นเวลามากมาคนเดียวเวลาตายก็ไปคนเดียวนะพ่อกับไปกับเราไม่ได้แม่กับไปกับเราไม่ได้นะไปได้ถึงแค้กองไปเท่านั้นแหะสามีพระรายะลูกหลานก็ไปส่งถึ้งแค่กองไปเงินนี้มากมายสักฟันใดเอาเซมือเสีปากให้ม่นจิตสตังมันน่าสลดใจไหมเพชรยินดาก็ไม่ให้หรอกเอาไว้หมดเลย นั่นคิดให้ดีคิดให้ดีอะไรที่จะเป็นสมบัติของเราอถ้าเราเข้าใจว่าเออบุญนะอบุญมาจากที่ไหนมาจากการกระทําอะไรเป็นบุญอบุญเป็บัญหายากคนที่รู้จักบุญนั่นทำได้ทุกเวลาทุกวินาทีทุกสถานที่ถ้าทําใจให้ดีก็เป็นบุญอ่าคิดแต่เรื่องบุญคิดแต่เรื่องดีมองคนเหยียมองในทางบวก อย่าไปมองทางลบน้อมมาเป็นธรรมะมองในทางถูกกนดีใจของเราก็ดีมีแต่ความสุขรลักลพักดีมีแต่ความสงสารเมตตากับเพื่อนมนุษย์เกเิดเจ็เจ็บตายอยู่มาถึงพันปีก็ต้องแตกต้องตายจากกันไปแล้วทำไมเราจะมาทะเลาะอีว่า<ม>แตกแยกสามาัชี<ม>เราต้องมีคุณธรรมมีเมตตาธรรมนั่นคือสิ่งที่สาคัญ วันนี้ก็ขออำนาจุณภาษีรัตนไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลมดานให้พวกท่านทั้งหลายจงมีแต่วความสุขมีแต่วความเจริญศาสนาสิ่งใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จโดยคุนน่ากันเทินสาธุ